เพื่อมาเติมน้ำมันให้กับจิตใจจิตใจของพวกเรานี้ก็เป็นเหมือนจรวดการที่จะทำให้จรวดนี้ทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าและออกไปสู่อาวากาศได้จำเป็นจะต้องมีกำลังขับเคลื่อนที่มากกว่าแรงดึงดูดของโลก ถ้าพลังขับเคลื่อนไม่มากกว่าแรงดึงดูดของโลกจะหลวดก็จะต้องกลับตกลงมาถ้ามีกำลังมากกว่าแรงดึงดูดของโลกจะหลวดก็จะหลุดออกจากแรงดึงดูดของโลกได้สามารถทยานขึ้นสู่อวกาศและเดินทางไป ตามดวงดาวต่างๆได้ฉันใดใจของพวกเราก็เป็นเหมือนจรวดที่ตอนนี้ยังไม่มีน้ำมันพอที่จะขับเคลื่อนใจของเราให้ได้หลุดออกจากความดึงดูดของกิเลสตัณหาของโมหะอวิชชาที่ดึงดูดใจพวกเรา ให้เวียนไหวตายเกิดในวัฏะสงสารนี้อยู่ถ้าพวกเราอยากจะเล็ดลอดหลุดออกจากวัฏะแห่งการเวียนไหวตายเกิดนี้เราจําเป็นจะต้องเติมน้ํามันให้กับจรวดของเราคือเติมน้ํามันให้กับจิตของเราจนสามารถขับเคลื่อนจิตของเรา ให้อยู่เหนือกำลังของกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาถ้าเรามีกำลังมากกว่ากิเลสตัณหาโมหะอวิชชาเราก็จะหลุดจากการดึงดูดของกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาได้เราก็จะสามารถเดินทางไปสู่มรรคผลนิพพานได้ ผลนิพานนี่ก็เป็นเหมือนกับดวงดาวดวงต่ตางๆที่จิตใจของเราจะเดินทางออกจากการเวียนว่ายตายเกิดไปสู่ดวงดาวแห่งการหลุดพ้นไปสู่ดวงดาวที่มีแต่ความสุขปราศจากความทุกข์ น้ำมันของใจคืออะไรน้ำมันของใจก็คือบา ร, รมีบุญบา ร, รมีนี่เองที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พุทธศาสนิกชนมันเติมกันอยู่เรื่อยๆเพราะตอนนี้ยังไม่เต็มถังถ้าถ้าจะออกจากโลกนี้ไปก็จะไปไม่พ้น เพราน้ำมันไม่พอจึงจําเป็นจะต้องเติมน้ํามันคือเติมบุญบารมีอยู่เรื่อยๆบารมีที่พระเจ้าทรงสอนให้พวกเราเติมกันนี้ก็มีอยู่สิบข้อด้วยกันข้อที่หนึ่งก็คือเมตตาบารมีข้อที่สองก็คือทานบารมีข้อที่สก็คือศีลบารมี ข้อที่สี่ก็คือเนกขัมมะบาลเมข้อที่หก็คืออุเบกขาบารมีข้อที่6ก็คือปัญญาบาลเมข้อที่7ก็คืออธิฐานบารเมข้อที่8ก็คือสัจจะบารเมข้อที่9ก็คือวิริยาบาลเมข้อที่10ก็คือขันติบาล นี่แหละคือน้ำมันที่จะทำให้ใจของเรานี่มีพลังมากกว่าพลังดึงดูดของกิเลสตัณหาของโมหะอวิชชาที่คอยดึงดูดให้พวกเราต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพน้อยภพใหญ่อยู่อย่างไม่มีวันจบสิ้นถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนา เราก็จะไม่รู้จากวิธีเติมน้ำมันเราจะไม่รู้ว่าเราต้องการน้ำมันชนิดไหนบ้างส่วนใหญ่เวลาเราไปเติมน้ำมันแทนที่จะไปเติมน้ำมันกันเรากลับไปเติมน้ำกันเติมน้ำใส่เข้าไปในถังน้ำมันรถก็วิ่งไม่ได้ฉันใดแทนที่พวกเราจะมาเติมบุญบารมีกันเรากลับมาเติมกิเลสตัณหา โมหะอาวิชชาให้มีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆเราจึงไม่สามารถส่งจรวดของเราคือจิตใจของเราให้ไปถึงมรรคผลนิพพานได้จิตใจของเราจึงติดอยู่กับเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในตายพบพบทั้งสามคือการมาพบรูปรพบและอรูปรพบ เพราะเราคอยเติมแต่กิเลสตัณหาโมหะอวิชชาแทนที่เราจะเติมบุญบารมีกันเวลาเราทําอะไรด้วยความโลภด้วยความหยากด้วยความโกรธ ด, ด้วยความหลงเวลานั้นก็เป็นเวลาที่เราเติมเติมน้ําเข้าไปในถังแทนที่จะเติมน้ํามันน้ํามันไม่สามารถทําให้จรวญคือใจของเรานี้ ทยานขึ้นสู่ท้องฟ้าได้ต้องน้ำมันคือบุญบรารมีดังนั้นเราจึงควรที่จะลดการกระทําตามความโลภตามความอยากตามความโกรธต่างๆทําอะไรก็ขอให้ทําด้วยความจำเป็นด้วยเหตุผลเช่นเรายังมีความจำเป็นต้องทําอะไรอยู่บ้างเรายังมีความจำเป็นที่ต้องหาปัจจัยสี่ มาเลี้ยงปากเลี้ยงทองถ้าเราหามาพอเพียงตอบความต้องการของร่างกายไม่มากจนเกินไปอย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นการทำด้วยความโลภหรือทำด้วยความอยากแต่ทำด้วยความจำเป็นแม้แต่พระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์ท่านก็ยังต้องมีปัจจัยสี่ไว้สำหรับเลี้ยงดูร่างกาย แต่ท่านไม่ต้องมีจํานวนมากมายหรือหรูหราหรื อ, รอแบบวิจิตพิสดารท่านอยู่แบบเรียบง่ายที่อยู่อาศัยของท่านก็อยู่ตามโคนไม้ก็ได้อยู่ตามเงื่อมผาก็ได้อยู่ตามถ้าก็ได้อยู่ตามเรือนร้างก็ได้ที่ไหนพอหลบแดดหลบฝนได้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วเช่นเดียวกับ เครื่องนุ่งหง่มของพระพุทธเจ้ากับของพระอาหารหันต์นี้ก็มีแค่ผ้าไตหนึ่งชุดคือสามผืนและบางทีก็เป็นผ้าบางสกุลคือไปเก็บเศษผ้าที่ทิ้งไว้ตามกองขยะหรือที่ผ้าผ้าห่อศพทิ้งไว้ในป่าชาท่านจะไปเก็บผ้าเหล่านี้มารวบรวมแล้วก็มาตัดเย็บให้เป็นจีวรไว้หม เรียกว่าผ้าบังสกุลนี่คือผ้าเครื่องนุ่งห่มของพระพุทธเจ้าของพระอรหันตสาวพอาหา ร, าาหารท่านก็อาศัยการบินทบายยินดีตามมีตามเกิดได้อะไรมาก็ใช้ได้พอใจไม่เดือดร้อนขอให้มีอาหารเยียวยาร่างกายไปได้ก็พอ ไม่ได้รับประทานด้วยตัณหาความอยากในรสชาติในสีในกลิ่นของอาหารกินแบบกินยากินอะไรก็ได้ขอให้กินแล้วทาให้ร่างกายไม่หิวไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็พออยารักษาโรคท่านก็รักษาไปตามมีตามเกิดมีสมุนไพรอะไรก็ใช้ได้ก็ใช้ไป ไม่มีก็ใช้น้ำปัสสาวะรักษาโรคภัยไข้เจ็บไม่มีโรงพยาบาลก็ไม่ต้องไปไม่มีหมอไม่มียาก็ไม่ต้องไปอยู่ตามมีตามเกิดเพราะร่างกายนี้ไม่ช้าก็เร็วก็ต้องตายไปอยู่ดีใจของผู้ที่ไม่มีกิเลสตัณหาจะไม่วุ่นวายไปกับการ ดูแลรักษาร่างกายมากจนเกินไปรักษาตามอัตภาพตามมีตามเกิดอยู่ได้ก็อยู่ไปอยู่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะใจของผู้ที่สิ้นกิเลสนี้ไม่มีความต้องการที่จะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือเหมือนกับคนที่ยังมีกิเลสอยู่คนที่มีกิเลสนี้ยังต้องใช้ร่างกายหาความสุขอยู่ ต้องใช้ตาหูจมูกลิ้นกายหารูปเสียงกลิ่นรสอดทะพะมาบำลงบำเลมาเสพเหมือนคนติดยาเสพติดแต่ผู้ที่ได้บรรลุมรคนิพพานแล้วผู้ที่ได้กำจัดกิเลสตนะัณหาโมหะอวิชชาให้หมดไปจากใจแล้วจะไม่เดือดร้อนกับความเป็นความตายของร่างกาย การอยู่ของท่านไม่ได้อยู่เพื่อตัวท่านแล้วราะใจของท่านนี้ได้หลุดพ้นแล้วได้พบกับความสุขที่แท้จริงที่ถาวรแล้วแต่ที่อยู่ก็เพราะว่าร่างกายมันยังไม่ตายก็อยู่กับมันไปดูแลมันไปแล้วใช้ร่างกายอันนี้มาทำประโยชน์ให้แก่สัตว์โลกคือมาสอนธรรมะให้กับสัตว์โลก เพื่อที่สัตว์โลกอย่างพวกเรานี้จะได้หายจากความหลงงมงายมัวแต่เติมกิเลสตัณหาแทนที่จะเติมบุญกุศลบุญบรารมีกลับมาเติมกิเลสตัณหาที่ดึงให้พวกเราเวียนว่ายตายเกิดอยู่ซ้ำแล้วซ้ำอีกมาเป็นเวลาอันยาวนานและจะเป็นอย่างนี้ต่อไป ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์มาสอนมาบอกพวกเราให้หยุดการเติมกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาแล้วให้มาเติมบุญบา ร, รมีกันนี่เป็นเรื่องที่พวกเราถือว่าโชคดีที่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเพราะนานๆครั้งจะมีพระพุทธศาสนาปรากฏขึ้นมาให้เป็นที่พึ่งของสามโลกสักครั้งหนึ่ง นานๆจะมีพระพุทธเจ้ามาตัดสรุ้สักองหนึ่งคำว่า น, านานนี้ก็คือเป็นกับกับนี้ก็คือเป็นจำนวนล้านล้า น, ล, านล้านปีถึงจะมีพระพุทธเจ้ามาปรากฏสักครั้งหนึ่งเวลามาปรากฏ ก, ก็จะมาช่วยให้สัน์โลกได้หลุดพ้นจากการเวนไหว้ตายเกิดกันเป็นจำนวนมากอย่างพระพุทธเจ้าของพวกเรานี้ ก็สอนให้มีพระอาหารหันต์ปรากฏขึ้นมาเป็นจำนวนมากนับตั้งแต่วันแรกที่ทรงประกาศพระธรรมคำสอนจนถึงปัจจุบันนี้โลกของพวกเรายังมีพระอาหารหันต์ปรากฏขึ้นมาอยู่เรื่อยๆและอาจจะเป็นหนึ่งในพวกเราในขณะนี้ก็ได้เพราะพระอาหารหันต์ทั้งหลายก็มาจากพวกเรานี้เอง ที่พอได้ยินได้ฟังพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็เกิดความเข้าใจหายหลงแทนที่จะเสียเวลากับการทำตามความอยากทำตามความโลภทำตามความโกรธทำตามความหลงก็หันมาทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าหันมาสร้างบุญบา ร, รมีกัน อย่างที่พวกเราทั้งหลายได้มากระทำกันในวันนี้พวกเราได้หันหน้าเราไปอีกทิศหนึ่งแล้วเมื่อก่อนเราทำอะไรตามกิเลสตัณหาตามความโลภความอยากแต่วันนี้เราจะมาทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแทนที่จะเติมกิเลสตัณหาเราจะมาเติมบุญบรารมีกันนี่แหละคือ หน้าที่ของพระพุทธเจ้าและของพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายคือเผยแผ่คำสอนความรู้ที่วิเศษนี้ให้แก่พวกเราที่ยังไม่รู้เพื่อที่พวกเราพอรู้แล้วจะได้เติมบุญเติมกุศลกันจะได้หลุดพ้นจากวัฏฏะวนแห่งการเวียนว่ายตายเกิดกันพระพุทธเจ้านี้ หลังจากที่ทรงตัดสรูวแล้วพระองค์นี้ทรงอุทิศเวลาถึง45ปีให้แก่การเผยแผ่สั่งสอนสัตว์โลกอยู่ทุกวันพระพุทธเจ้ามีกิจอยู่5ประการด้วยกันเรียกว่าพุทธกิจ5และ4ในพุทธกิจ5นี้ก็เกี่ยวข้องกับการสั่งสอนสัตว์โลกเช่นตอนบ่าย จะทรงสั่งสอนคาวาทญาติโยมตอนค่ำจะทรงสั่งสอนพระภิกษุสา ม, มเณรตอนดึกจะทรงสั่งสอนเทวดาทั้งหลายและตอนสว่างก่อนจะทรงออกบิณฑบาตจะทรงเล็งญานดูว่าจะไปสอนคนไหนดีในวันนี้ในบุคคลไหนที่พร้อมที่จะบรรลุพร้อมที่จะ ฟังธรรมพระองค์ก็จะมุ่งไปสอนบุคคล น, นั้นก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ท่งออกบิณฑบาบโปรดสัตว์นี่คือภารกิจห้าประการของพระพุทธเจ้าที่ทรงบำเพ็ญอยู่ตลอดเวลาสี่ห้าปีด้วยกันภารกิจสี่ข้อนี้ทำเพื่อผู้อื่นอบรมสั่งสอนธรรมะให้แก่ผู้อื่นส่วนภารกิจข้อที่ห้า ก็ทําเพื่อร่างกายคือไปบินฑบาตอาอาหารมาเลี้ยงดูร่างกายแต่พระ อ, องค์ไม่ได้ทําให้กับพระทัยของพระ อ, องค์เลยเพราะพระทัยของพระ อ, องค์นี้เต็มเปี่ยมไปด้วยปรมังสุขขังแล้วถ้าเป็นแก้วน้ําก็น้ําเต็มแก้วแล้วเติมน้ำเข้าไปอีกมากเท่าไหร่ก็จะไม่สามารถทําให้มีน้ํามากไปกว่า น้ำที่เต็มแก้วได้เทเข้าไปก็จะมีแต่ล้นไหลออกมาเท่านั้นนี่แหละคือการกระทัางของพพระพุทธเจ้าและของพระอ า, าราณ์ทั้งหลายท่านไม่ได้ทำให้เพื่อจิตใจของท่านอีกแล้วท่านไม่ได้ทำให้กิเลสตัณหาอีกแล้วท่านทำให้แต่สัตว์โลกที่ยั ง, งโง่เขาเบาปัญญาอย่างพวกเหล่านี้เพื่อให้พวกเราจะได้หาย จากความโง่เขลาเบาปัญญาแล้วเราจะได้มาทําในสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับจิตใจเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้กระทํากันก็คือมาสร้างบุญบรารมีทั้งสิประการนี้ถ้าเราสร้างบุญบรารมีได้ครบถ้วนบริบูรณ์ก็เหมือนกับเราได้เติมน้ํามันเต็มถัง พอจรวดมีน้ำมันเต็มถังก็จะสามารถพาให้จรวดได้หลุดออกจากแรงดึงดูดของโลกได้และเดินทางไปถึงดวงดาวจุดหมายปลายทางดาได้ฉันใดถ้าเรามีบุญบา ร, รมีครบถ้วนทั้งสิบประการนี้แล้วใจของเราก็จะทยานออกจากการเวียนว่ายตายเกิด จะทะยานเข้าสู่มรรคผลนิพพานคือมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งมีอยู่สี่ขั้นด้วยกันมรรคสี่ผลสี่แล้วก็ก่อนจะถึงพระนิพพานต้องถึงขั้นแรกก่อนก็คือโสดาปฏิมรรคโสดาปฏิผลขั้นที่สองก็สกิดาคามมมรรคสกิดาคามมผลขั้นที่สมก็คืออนาคามมมรรคอนาคามมผล และขั้นที่สี่ก็คืออรหัตตมรรคอรหัตตผลพอได้อรหัตตมรรคอรัตตผลแล้วก็จะเข้าสู่นิพพานตามลำดับต่อไปนี่แหละคือจุดหมายปลายทางของจิตใจของพวกเราถ้าพวกเราอยากจะหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิด เราจำเป็นจะต้องเติมบุญบารมีให้เต็มเปี่ยมไปในหัวใจเพื่อจะได้ส่งจิตใจของเราให้ได้หลุดพ้นจากการดึงดูดของกิเลส ต, ตัณหาโมหะอวิชชาที่จะคอยดึงให้พวกเราเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพน้อยภพใหญ่เช่นตายจากภพนี้ไปแล้วเราก็ต้องไปเกิดดีบ้างไม่ดีบ้าง ถ้าเป็นบุญพาไปก็ไปสู่สุขติไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆถ้าบาพาไปก็จะไปสู่อบายชั้นต่างๆนี่เป็นเรื่องของจิตใจของพวกเราในขณะนี้แต่ถ้าพวกเราได้เติมบุญบรารมีกันอย่างเต็มที่แล้วจิตใจของเราก็จะพุ่งทะยานขึ้นสู่สวรรค์ชั้นต่างๆ สู่พรหมโลกออกจากพรหมโลกก็เข้าสู่มรสีผลสีวิพานหนึ่งตามลำดับต่อไปเราจึงมีหน้าที่ของเราก็คือต้องเติมบุญบา ร, รมีกันให้มาก้าเหมือนกับเวลาที่เราจะเดินทางไปไหนมาไหนนี่สิ่งแรกที่เราจะดูก่อนก็คือว่ารถมีน้ำมันหรือเปล่า ถ้าไม่มีน้ำมันสิ่งแรกที่เราจะทำก็คือขับไปที่สถานีบริการเพื่อไปเติมน้ำมันให้เต็มถังพอเต็มถังแล้วทีนี้เราก็จะออกเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางของเราได้ฉัน้นใดถ้าพวกเราต้องการที่จะไปสู่มรรคสีผลสีนิพพานนิพไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆไปสู่พรมโลก เราต้องเติมบุญบารมีให้เต็มถังเราต้องสร้างเมตตาบารมีเมตตาบารมีคืออะไรก็คือความปรารถนาดีต่อสัตว์โลกสรรพสัตว์ทั้งหลายสัพเพสัตตาอเวราหมตุคือความไม่จองเวรจองกรรมไม่อาฆาตพยาบาทให้อภัยเรียกว่าเมตตา สุขีอัตานำปริหะรันตุเพื่อปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขมีอะไรที่ทำแล้วให้ผู้อื่นมีความสุขได้ก็ยินดีที่จะทำเช่นวันเกิดเราก็ซื้อของขวัญไปให้หรือวันปีใหม่ก็ส่งสอขอสอส่งของขวัญไปให้เวลาไม่สบายก็ไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลเพื่อให้ผู้อื่นมีความสุข อย่างนี้เรียกว่าเมตตาเป็นการสร้างเมตตาบารมีคือคิดดีพูดดีทำดีต่อผู้อื่นไม่คิดร้ายไม่พูดร้ายไม่ทำร้ายต่อผู้อื่นเรียกว่าเมตตาบารมีทานบารมีก็คือการให้การแบ่งปันสิ่งของเงินทองหรือประโยชน์สุขต่างๆ ที่เรามีมากเกินความจําเป็นเช่นมีเงินทองเหลือกินเหลือใช้ตายไปก็เอาไปไม่ได้ก็เอาเงินทองที่เหลือกินเหลือใช้นี้มาแบ่งปันให้แก่ผู้ตกทุกข์ได้ยากให้เข้าของก็เรียกว่าวัตถุทานถ้ามีวิชาความรู้ให้วิชาความรู้ต่อผู้อื่นก็เรียกว่าวิทยาทานถ้ามีธรรมะ ก็เรียกว่าธรรมทานนี่คือทานที่เราสามารถสร้างได้ด้วยการแบ่งปันสิ่งที่เรามีมากเกินความจำเป็น mm. เกินความต้องการของเราเก็บเอาไว้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรกับเราตายไปก็กลายเป็นสมบัติของผู้อื่นไปนี่คือข้อที่สองคือทานบารมี ศีลบารมีก็คือการละเว้นจากการเบี่ยดเบียนจากการสร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นศีลก็มีหลายระดับศีลเบื้องต้นก็คือศีลห้าศีลศีลขั้นที่สองก็คือศีล8ปดศีลขั้นที่3ก็คือศีลสิบศีลขั้นที่4ก็คือศีลสองิบเจ็นี่ก็คือศีลต่างๆที่เราควรจะ รักษากันรักษาจากจากขั้นขั้นแรกไปก่อนคือศีลห้าถ้าศีลห้ายังไม่สามารถรักษาได้ก็เอาศีลสี่ก่อนก็ได้ศีลสียังไม่ได้ก็เอาศีลสาอย่างน้อยก็ขอให้มันได้สักข้อหนึ่งก็ยังดีดีกว่าไม่เอาเลยเพราะรักษาไม่ได้ข้อหนึ่งก็เลยผ่านไม่รักษามันหมดเลยข้อไหนที่ยังรักษาไม่ได้ก็รอไว้ก่อน เอารักษาข้อที่เรารักษาได้ก่อนเช mm hmm. ่นเราไม่ฆ่าสัตว์ได้หรือเปล่าเราไม่ลักทรัพย์ได้หรือเปล่าเราไม่ประพฤติผิดประเวณีได้หรือเปล่าเราไม่โกหกหลอกลวงได้หรือเปล่าเราไม่เสพสุรายาเมาได้หรือเปล่าลองถามตัวเองแล้วลองทาดูถ้าเราทาได้ต่อไปเราก็จะมีศีลบามี ศีลนี่แหละเป็นเหตุที่จะป้องกันไม่ให้เราไปเกิดในอบายจะส่งให้เราไปเกิดในสวรรค์และไปพระนิพพานตามลําดับต่อไปถ้าไม่มีศีลนี้ไปไม่ได้ต้องรักษาศีลอย่างน้อยต้องศีลห้าขึ้นไปถ้ารักษาศีลห้าได้แล้วก็รักษาศีลแปดต่อไปศีลแปดก็เพิ่มอีกสามข้อ ไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วไม่เที่ยวไม่ดูพวกมลหอสพบันเทิงต่างๆไม่แต่งเนื้อแต่งตัวเสริมสวยความงามด้วยวิธีการต่างๆใส่เสื้อผ้าแบบเรียบง่ายอาบน้ำอาบท่าด้วยสบู่ให้ร่างกายสะอาดก็พอแล้วไม่ต้องใช้เครื่องสำอางไม่ต้องใช้อะไรน้าหอมน้ามันต่างๆ แล้วก็ข้อที่8ก็คือไม่นอนบนฟูกนนหนาๆไม่นอนบนเตียงใหญ่ๆให้นอนกับพื้นนอนกับพื้นแข็งเพื่อจะได้นอนไม่มากถ้านอนบนบนฟูกนนหนาาแล้วจะนอนมากเกินไปจะไม่มีเวลามาสร้างบารมีขั้นต่อไปก็คือเนคขมะบารมีและอุเบกขาบารมี เนคขมมะบารมีก็คือการงดเว้น ก, ก็คือการถือศีลแปนี่เองเรียกว่าเนคขมมะบารมีถ้าถือศีลห้าก็เรียกว่าศีลบารมีถ้าถือเนถ้าถือศีลแปศีลสิบศีลสองร้ 7, ก็เรียกว่ากำลังเจริญเนคขมมะบารมีเนคขมมะแปลว่าอะไรแปลว่าการออกจากการหาความสุขทางตาหูจมูกม้นกายนั่นเอง คือจะไม่ดูไม่ฟังไม่หาความสุขจากการดูการฟังการดื่มการรับประทานแต่จะมาหาความสุขจากการสร้างอุเบกขาบารมีอุเบกขาบารมีก็คือการทำใจให้สงบนี้เองคือคือการนั่งสมาธิด้วยการเจริญสติบริกรรมพุทโธพุทโธไปอยู่เรื่อยเรื่อยตั้งแต่ตื่นจนหลับ ให้นึกถึงคำพุทโธพุทโธไปอย่าปล่อยให้ใจคิดเรื่อยเปื่อยถ้าใจไม่คิดใจอยู่กับพุทโธใจจะว่างใจเย็นจะสบายจะเป็นอุเบกขาขึ้นมานเวลาเป็นอุเบกขาก็จะสามารถที่จะต่อสู้กับกิเลส ต, ตัณหาความโลภความอยากต่างๆได้เพราะอุเบกขานี่คือความอิ่มใจความสุขใจนี่เอง ไม่หิวไม่โหยพอกิเลสตัณหามาชวนให้ไปดูไปฟังก็จะรู้สึกเฉยเฉยดูก็ได้ไม่ดูก็ได้ไม่เดือดร้อนถ้าไม่มีอุเบกขานี้พอเกิดตัณหาความอยากขึ้นมาก็จะไปทันทีเพราะหิวใจไม่มีอาหารอุเบกขานี้เป็นเหมือนอาหารของใจ ผู้ที่มีอุเบกขาก็คือผู้ที่ได้รับประทานอาหารคนที่รับประทานอาหารแล้วจะไม่ค่อยหิวต่อให้ใครเอาขนมของวิเศษขนาดไหนมาให้รับประทานก็ไม่อยากจะรับประทานเพราะรับประทานไม่ลงนี่คืออุเบกขาบา ร, รมีแล้วต่อไปเราก็มารักษาปัญญาจเจริญปัญญาบา ร, รมีปัญญาบา ร, รมีนี้มีไว้ทำไม ก็มีไว้ทำลายกิเลสตันหาตัวที่จะมาฉุดลากให้เราไปเวียนว่ายตายเกิด น, นั่นเองเวลาตันหาชวนให้เราไปหาสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปดูสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปทำเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ใช้ปัญญาบอกว่าของต่างๆในโลกนี้ต่อให้ดีให้วิเศษขนาดไหนก็ตามมันไม่ได้ให้ความสุขที่แท้จริงกับเรา นอกจากไม่ให้ความสุขแล้วยังให้ความทุกข์กับเราเพราะเวลาได้มาเราจะรักเราจะหวงพอเรามีความรักความหวงเราก็จะมีความห่วงเวลาห่วงก็จะไม่สบายใจมีความทุกข์ใจและเวลาสูญเสียสิ่งที่เรารักไปก็จะเสีย อ, อกเสียใจจะทุกข์ทรมานใจนี่คือปัญญา เราต้องสอนใจเตือนใจอยู่เสมอว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์ทุกข์เพราะไม่เที่ยงทุกข์ไม่ชทุกข์เพราะว่ามันไม่ใช่เป็นของเรานั่นเองเราไม่สามารถเก็บเอาไว้กับเราได้เวลาเราตายจากโลกนี้ไปเราเอาอะไรไปไม่ได้เลยนี่คือปัญญาที่เราต้องคอยสอนใจอยู่เรื่อยๆเพื่อจะได้ตัดความโลภตัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจ การที่เราจะสร้างบารมีทั้งหกนี้ได้เราต้องมีอธิษฐานบารมีก็คือเราต้องตั้งจิตตั้งใจว่านตั้งแต่วันนี้ไปเราจะอุทิศชีวิตของเราให้กับการสร้างบารมีต่างๆนี่เรียกว่าอธิษฐานคือการตั้งใจอธิษฐานนี้ไม่ได้แปลว่าการขอให้ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้แปลว่าตั้งใจจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่นตั้งใจจะสร้างบุญบรารมีพอเราตั้งใจแล้วเราก็ต้องมีสัจจะบรารมีก็คือเราต้องไม่โกหกตัวเองเราตั้งใจจะทำอะไรแล้วถึงเวลาเราก็ต้องทำไม่ใช่มาเปลี่ยนใจทีหลังว่าไม่เอาละเมื่อกี้ตั้งใจจะทำพอถึงเวลาจะทำก็เสียดายเงินละจะฝากกระเป๋าซื้อของไปทาทานก็เสียดายก็เปลี่ยนใจ ถ้าเราไม่มีสัจจะเราก็จะไม่สามารถสร้างบารมีได้เราต้องมีสัจจะตั้งใจแล้วเราก็ต้องทำตามที่เราตั้งใจเมื่อเราทำตามที่เราตั้งใจจะสำเร็จไม่สำเร็จก็อยู่ที่ว่าเราขยันหรือไม่ขยันถ้าไม่ขยันทำแบบเตาะเตะแตะทำแบบพอหอมปากหอมคอทำแบบเสียไม่ได้อย่างนี้ก็จะไม่มีวันสำเร็จได้ เมื่อตั้งใจแล้วถึงเวลาทําก็ต้องทําอย่างเต็มที่ทําแบบสุดกำลังนะนี่เรียกว่าวิาริยะบามนะีและเวลาทําแล้วเกิดความทุกข์ยากลำบากก็ต้องมีขันติบามีคือความอดทนนะถ้าไม่อดทนพอทําไปแล้วพอเจอความยากความลำบากขึ้นมาก็ยกธงขาวยอมแพ้เพราะไม่มีขันติบามี นี่คือสิ่งที่เราต้องมีสี่ข้อด้วยกันก็คือมีอธิษฐานมีสัจจะมีวิริยะและมีขันติถ้าเรามีสี่ข้อนี้เราก็จะสร้างบา ร, รมีอีกหกข้อได้อย่างง่ายดายสร้างเมตตาบา ร, รมีทานบา ร, รมีศีลบา ร, รมีเนคข ม, มะบา ร, รมีอุเบกขาบา ร, รมีและปัญญาบา ร, รมี พอเรามีครบทั้งสิบข้อเราก็จะทยานขึ้นสู่สวรรค์ชั้นต่างๆขึ้นสู่พรห ม, มโลกและเข้าสู่มรรคผลนผิพพานตามลำดับต่อไปนี่แหละคืออำนาจของบรารมีที่พระพุทธเจ้าได้ทรงใช้ในการที่ทำให้พระพุทธเจ้าได้ตัดสรู้้ได้เป็นพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกับพระอาหลานตะสาวงทั้งหลาย ก็ต้องใช้บรารมีทั้งสิบประการนี้พวกเราก็เช่นเดียวกันถ้าพวกเราอยากจะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดอยากจะเข้าสู่พระนิพพานพวกเราก็ต้องเจริญบรารมีทั้งสิบประการอย่างที่ท่านได้มาเจริญกันในวันนี้ขอให้ท่านพยายามทำไปเรื่อยๆทำให้มากขึ้นไปเรื่อยๆทำจนให้ครบทั้งสิบประการ รับรองได้ว่าผลที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้รับก็จะเป็นผลที่พวกเราจะได้รับกันต่อไปอย่างแน่นอนการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุดติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีลัตนตรัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพิญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัย